สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงที่นี่ธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมานมนานแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะโคตรกันอย่างไม่เกรงใจ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 ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจา้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว <c oughs> ้เพื่อเป็นหลักสูตร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 ก็มาตรัสโลธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระ ส, โโสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสโลอริยสัจการทำทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสรู้มาแล้ว สมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราพุทธเจ้าเคียงแต่มาตัตลูกของจริงเราจะพิสูจนพิจรารณาได้ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าลาติทุกขา ความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อนำติทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกๆสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เะพาะแต่คนแหลกตัดแม้แต่ต้นไม้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 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความตกเศร้าความด่้ใจความเหิวแห้งใจความวิะโยคลัดพลาดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์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 เพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกข Ariyasat และอีกจางหนึ่งคำว่าทุกใน Ariyasat นั้นเราหมายถึงทุกของจริงที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแตกต่างกันกับทุกในพระไตรลักษณ์ทุกในพระไตรลักษณ์นั้น เป็นทุกษาธาณาพั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมภาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สุดต้องสรายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตาม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 ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันเคร่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพธธุทธเจ้า ว, ว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเก่นทุกอนัตตาไม่เจตัวไม่เจตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกในอริยสัจและทุกในทัศนีลักจึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น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 กรมกรมฐานและวิปัสนากรรมฐานที่นี่หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวัรรมทั้งฝวงนั้นเราจะหนีจากการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานไปในดได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ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 มันมีโอกาสที่จะเผลอตรงกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เราเลิกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนัน้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุทโธไหมหรือว่ามันลืมพุทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่เลิมนั้น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 นั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุทโธแล้วก็ไปเย็บเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกในคิดตามวิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าหาว่าจิตเลิมคำว่าพุทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปเนตถึงพุทโธอีก ให้กำหนดรู้ลมที่จิตเถยๆอยู่แต่ในท่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเถยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของติจะต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมา และก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นแค่เพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความท่านความยาวความละเอียดความยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจ่อมรู้ความทั้นความยาวความยากความละเอียดของลมหายใจอยู่ในที โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจยาวลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดผู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดต้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น ในขณะที่ท่านกาหนดจดต้องดูอยู่ที่ลมหายใจเถย อ, อยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปกำหนงถึงทั้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกาหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดทาตุในมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกาหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว รลอจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นพาสิทธ์ซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็ อ, อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตยอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำกลังกาหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันที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 เมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบนแน่นไม่รากจากกันตรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าพิจารณ์เมื่อจิตกับอารมณ์มีความตึทราบและมีความตาบซึงลงไปในดวงจิตความโ ด, ดดเดิมก็ย่อมเกิดขึ้น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 ในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยหรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อเจตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว <c oughs> จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกขะตาในตอนนี้จิตของขั้นสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะเจตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียว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 อะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจเึิงเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจเป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเอง ผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกัคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะ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 สมปัจจัญะจะค่อยปลากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยในทั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโผพ่ดผออกมาโดยไม่กาหนดอะไรเลยออกมาโชวความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้า เมื่อเจตน์ถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดม่ตัวสติความรู้ความคิดขึ้นมาทันทีเิตคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบสวยโอกาสในตอนนี้กำหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่ว่ารู้อย่างเดียว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 สติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิดเึ่งเกิด ข, ขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติ ความรู้อารมณ์คือความคิดพันกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิดตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งสังหัรและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งสังหัรมองมองดูแล้วคล้ายๆกับว่า เราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันต้องอบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นก็แแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสตยิเป็นพระเป็นกำลัง จึงไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อเจตปรุงความโลขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไรลูลขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปในเมื่อเจตมันละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปู้ทันกันอย่างละเอียดลงไป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 เมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเดี๋ยวกว่ามีพระผ้าพร้อมจิตจิตมีสภาวิยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อ ม, ม, ล, ญญ ม, อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความโลภเท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทําให้เราวุ่นวายเดือดตอนอยู่นั่นเลย มันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการนันนั้ น, น, นมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการล ะ, ะนี้ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกาหนดจิต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 แล้วจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพื่อมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริง